วันท MM ี่27มีนาคม2507ณวัดสาบ้านตาาจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติเบื้องต้นแม้ก่อนการปฏิบัติความโง่ก็ต้องมีอยู่ภายในใจด้วยกันทุกคน เพราะเรายังไม่มีต้นทุนที่ไหนจะปรากฏเป็นความฉลาดนำหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นความโง่ก็ต้องมีโอกาสนำหน้าของเราอยู่โดยดีเมื่อความโง่เพราะความที่เรายังไม่เคยรบรมความฉลาดให้เป็นเครื่องสองทางแล้วเขาที่มีอํานาจอยู่ภายในใจไปต้อง หลุดลากบรรยาางที่ดิบเป็นธรรมดาคำว่าการพึกหัดเบื้องตน้นนั้นจะต้องเป็นบทบาทหรือเป็นภาคพื้นของนักปฏิบัติด้วยกันในด้านการอบรมจิตใจ ที่เคยปฏิบัติมานับแต่เบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเรื่องความสงสยัสงสยในธรรมะคาสั่งสอนของพระพุตเจา้าทางปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลอันจะพึงได้รับนั้น จะเป็นไปโดยสมบูรณ์ในธรรมะของพระพธธุทธเจ้าหรือไม่มีเป็นเรื่องฝังภายในใจระยะที่มีความสนใจใครจะประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมของพระพธธุทธเจา้าเพื่อทำเบื้องสูงขึ้นไปพูดง่ายง่ายก็ว่าเพื่อพระนิพพาน ก่อนที่ยังไม่ได้คิดเรื่องเพื่อพระนิพพานนั้นความสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเรายังไม่สนใจแม้จะมีก็ต้องฝังอยู่ภายในจิตแต่ไม่แสดงตัวออกมาให้เจ้าตัวรู้พอได้เริ่มบวชเข้าในพระศาสนาได้ศึกษาข้ออัดขอ้อธรรมเฉพาะอย่างยิ่งก็ พุทธประวัติคือประวัติของพระโพธิเจา้าที่เสด็จออกทรงประหนดจนตรัสรู้มรรคผลนิพพานอันดับต่อมาก็ประวัติของสาวกที่ได้รับการศึกษาจากพระโพธิเจา้าแล้วไปบำเพ็ญเพียรในสถานที่ต่างๆแล้วได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองค์ข้าพยานแห่ง ศาสนธรรมของขพพระขปเจ้าและเป็นองค์ขปัญญาของขพพระข ธ, ธเจ้าได้โดยเมื่อได้ศึกษารเรียนไปถึงระยะนี้เกิดความเชื่อความร่วมใสขึ้นมาว่าอยากจะบําเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นแต่การจะบําเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้น นั้นจะบำเพ็ญอย่างไรธรรมะเครื่องดำเนินคือปฏิปทาที่จะพยายามฉุดลากจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อทําขั้นสูงโดยลำดับจนถึงแดนแห่งความตรัสรู้เหมือนอย่าง พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นบัตรนี้จะสามารถคิดผลให้เป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ความคิดทั้งนี้เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาว่าจะดำเนินตามธรรมะคำสั่งสอนอพระพุทธเจ้าแล้ว จะได้ผลเช่นนั้นหรือไม่หรือจะเป็นโมฆะและกลายเป็นความลำบากแก่ตนผู้ปฏิบัติไปเปล่าๆหรือหากจะมีผลเช่นนั้นอยู่บ้างมีเป็นความคิดในเบื้องตน้นแต่ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดี ชาวการหันทั้งหลายตรัสรู้เป็นผู้บริสุทธิ์กาดีรู้สึกจะมีความเชื่อมั่นเข้าอย่างเต็มที่ตามมิสัยของปุตุชนเหตุที่จะเป็นอุปสรรคแก่ตนเองอยู่ในระยะเริ่มต้นนี้ก็คือสงสัยปฏิปทาที่เราดำเนินไปตามท่านนี้จะถึงจุดที่ท่านถึงหรือไม่ หรือว่าทางเหล่านี้จะกลายเป็นวากเป็นหนามไปเสียหรือจะกลายเป็นทางผิดไปเสีย ท, ท, ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเดินทางสายนี้ไปแล้วถึงแดนแห่งความาเกษมนี่เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาอันเป็นฝ่ายเหตุทีนี้ฝ่ายผลก็เป็นเหตุให้มีความสงสัยอีกเช่นเดียวกันว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ ความสงสัยที่ปรากฏอยู่เช่นภายในใจเช่นนี้ไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดผู้หนึ่งฟังได้เพราะเข้าใจว่าจะไม่มีใครสามารถแก้ไขความสงสัยของเราให้หมดไปจากจิตใจจึงเป็นเหตุให้มีความสนใจและมุ่งที่จะ พบท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาท่านก็าตามแต่ได้ยินจิติศัพท์เจตคุณของท่านฟุ้งขจรมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสำคัญโดยมากผู้ที่มาเล่าให้ฟังนั้นจะไม่เล่าขั้นทมในอริยภูมิธรรมดา แต่จะเล่าถึงอรหัตภูมิของท่านต่างนั้นจึงเป็นเหตุให้มั่นใจว่าเมื่อเราได้ศึกษาให้เต็มภูมิความสัตว์ของเราที่ตั้งไว้แล้วยังไงเราจะต้องพยายามไปอยู่สำนักของท่านศึกษาอบรมจากท่านเพื่อจะตัดข้อข้องใจ ในความสงสัยของเราที่มีฝังใจอยู่น้บัดนี้ความสัตย์ที่เคยตั้งไว้ต่อตอนเองนั้นคือการสอบปริียนขอให้จบเพียงสามประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้ขั้นไหนก็ตามไม่เป็นปัญหาเมื่อปริียนได้จบสามประโยคแล้ว จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษา เ, าเรียนและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่เป็นความสัต์ที่ตั้งไว้ฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงมุ่งเพื่อรเรียนสามประโยคแต่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ไม่ทราบ สอบตกอยู่ถึงสองปีปีที่สามทิงได้นักธรรมที่ได้ยังไม่จบก็เป็นเหตุให้ได้เป็นลำดับไปเพราะสอบควบกันพอจบพอไปถึงจังหวัดจังใหม่ก็พระเอิญท่านพระอาจารย์มั่นได้ถูกอาราธนา จากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งแปล ร, รัตนนาท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มาจังหวัดอุดรธานท่านก็ออกเดินทางจากที่วิเวกของท่านออกมาอยู่วัดเจดีหลวงไล่เลี่ยกันกับทางนี้ไปถึง เมื่อได้ทราบว่าท่านมาอยู่วัดเจดีหลวงแล้วเท่านั้นเกิดความยินดีเป็น่วนพลตอนเช้าไปบินธบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านออกบินธบาตสายนี้แล้วกลับมาทางเดิมมาที่นี่ว่าอย่างนั้น ก็ยิ่งเป็นเหตุให้มีความสนใจใครอยากจะพบท่านจะไม่พบซึ่งซึ่งหน้าก็ตามยังไงก็ขอให้ได้พบเห็นท่านก่อนที่ท่านจะไปจังหวัดอุดรพอวันหลังท่านไปบินธบัตกลับมาแล้วก็รีบไปเสียตั้งแต่เช้ามาถึงกุฏิแล้ว ค่อยสังเกตทางที่ท่านมาตามที่ได้สอบถามจากพระไว้แล้วว่าท่านมาทางสายสายใดเพราะความสังเกตไม่นานก็เห็นท่านมาก็รีบเข้าในห้องแล้วก็คอยสอดส่องท่านอยู่ภายในห้องก็เห็นท่านมาจริงจริงเกิดความเลื่อมใสขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่าเราไม่เสีย ชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เห็นพระหัสนัยข้าวนี่เอ ง, งทั้งๆที่ก็ไม่มีใครบอกว่านี่ท่านพระรหัส น, นะท่านกําลังมาไม่ได้ว่าเลยในขณะแต่จะเป็นยังไงไม่ทราบเกิดความปีติขึ้นอย่างเต็มที่ที่ได้เห็นท่านทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ไม่เห็นเราในตาเนื้อท่านก็มาพักอยู่ไม่กี่วันก็กลับมาจังหวัดอุดร พยายามเรียนหนังสืออยู่ที่เชียงใหม่พอสอบได้แล้วก็เข้าไปกรุงเทพถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับให้อยู่ที่นั่นก็พยายามหาหนทางที่จะออกตามคําสัตย์ของตนว่าคําสัตย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วจะเรียนหนังสือและสอบต่อไปอีกไม่ได้เด็ดขาดเพราะคําสัตย์นี้ได้เคยตั้งมาคราวไหนแล้วจะไม่ยอมทํำลายแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่เสียดายเท่าคําสัตย์นี่ยังไงจะต้องพยายามออกให้จนได้จะไม่เสียคําสัตย์ ก็เอิอมาพักอยู่ที่กรุงเทพแล้วท่านเจ้าคุณผรมมนีที่เป็นอาจารย์ซึ่งเวลานี้ท่านอยู่วัดพระศีมาธาตบางเขพนพระนครไปจังหวัดอุบล น, น่าจะถานก็มีโอกาสที่จะได้ลีกตัวออกจากกรุงเทพในเวลานั้น ถ้าหากว่าท่านอยู่ในเวลานั้นแล้วจะหาทางออกยากคล้ายกับว่าบุญก็ช่วยตอนกลางคืนก็นั่งตั้งสัจจาทิฐานเมื่อทาวัดเสร็จแล้วจากนั้นก็นั่งภาวนาว่าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ออกปฏิบัติกรรมฐาน ตามที่ได้ตั้งคำสัต์ไว้โดยความสะดวกแล้วด้วยเมื่อออกไปแล้วจะได้สมตามความมุ่งมา่ปรารถนาของใจที่ได้มุ่งไว้ด้วยขอให้เรื่องนิมิตที่แปลกประหลาดได้แสดงขึ้นภายในใจของเราในคืนวันนี้จะรู้ทางด้านภาวนา ก็าตามจะรู้ทางด้านคําฝันก็าตามเพราะวันนี้ได้ตั้งคําสัตว์ไว้อธิษฐานไว้อย่างนี้ขอให้มีนิมิตแปลกประหลาดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่สมหวังก็ดีหรือไม่ได้ออกก็ดีนิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นให้แสดงเหตุที่ไม่สมหวังซึ่งไม่พอใจจะและจะยินดีในนิมิตเช่นนั้น แต่ถ้านิมิต ท, ที่จะเป็นไปด้วยความสมหวังในเมื่อได้ออกไปแล้วนั้นขอให้เป็นนิมิต ท, ที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างยิ่งจากนั้นก็นั่งภาวนาต่อไปก็ไม่ปรากฏว่ามีนิมิตอะไรมาผ่านจนเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็นอนพอหลับลงไปเท่านั้นปรากฏว่าได้เหาะขึ้นไปบนอากาศ เวลาที่เหาะขึ้นไปนั้นปรากฏว่าได้เหาะขึ้นจากพระนครหลวงแต่ไม่ใช่เป็นพระนครหลวงกรุงเทพเราจะเป็นนครหลวงอะไรก็ไม่ทราบกว้างจนสุดสายหูสายตาแล้วก็เหาะรอบพระนครหลวงนั้นสามรอบแล้วกลับลงมา พอกลับลงมาถึงที่แล้วพอดีก็ตื่นขึ้นมาตีสี่พอดีก็ลุกจากที่นอนรู้สึกมีความอิ่อกอิ่มใจในขณะที่ได้เหาะไปรอบๆพนครรู้สึกเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดหลายประการพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ เตื่ขึ้นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีในนิมิตยังไงก็ต้องสมหวังแน่แน่เพราะนิมิตชนิดนี้เราไม่เคยปรากฏตั้งแต่การไหน้มาเพิ่งจะปรากฏในคืนวันนี้และสมกับที่เราตั้งไว้ด้วยว่าขอให้นิมิตจะเป็นนิมิตทางภาวนาและทางฝันก็ตามแสดงเป็นความอัศจรรย์วันนี้รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งในนิมิตของเราพอฉั้นชั้นเสร็จแล้วก็เข้าไป ลาสมเด็จกราบลาสมเด็จมหาวีวงท่านก็พอดีบุญก็ช่วยท่านก็ยินดีให้ไปได้แต่ขอให้ไปทางนครนาที่มาไปช่วยเพรรอทำอธิยานวัดสุตกินลาในการสอนจะสอนบาลีเรื่องทมอะไรก็แล้วแต่ก็ได้กราบเยนตอบท่านว่าก้าวก็จะไปทางนั้น แต่ไม่ได้ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านสั่งนนั้เป็นแต่เพียงกราบเรียนว่าจะไปทางนั้นท่านก็ยินดีออกมาเลยในวันหลังจากวันนั้ น, นแล้วก็มาพักจำพรรษาที่ทางทางตะกลาดท่าช้างเริ่มภาวนาคนที่สิบ แบบละในทางด้นจิตใจเพื่อความสงบเพื่อเปลียนขึ้นมาสมจิตสมใจในทางด้านความสงบแล้วท่านเจ้าคุณธมุมนีท่านก็ตามมาจะพยายามออกกลับไปวัดพระศรีมาทาแต่ท่านจะผ่านไปจังหวัดสอุบลซะก่อนแล้วกลับมา ท่านจะเอาไปพร้อมมีพอท่านให้หลังเท่านั้นก็มาจังหวัดอุดรเสียยังได้ตามไปหาท่านพระอาจารย์มาเรื่องจิตใจที่เคยมีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่ามาเสื่อมที่บ้านตาัดเพราะเหตุแห่งการทำกดหลังนั่นมาอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือน ิรู้สึกว่าเข้าสมาธิไม่สงบได้อย่างสนิทเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและบางครั้งเข้าได้มากไม่ได้มากพอรู้สึกอย่างนั้นก็รีบจากบ้านนี้ทันทีไม่ยอมอยู่การมาจากนครหน้าีิมามาอุดร น, นี้เพื่อจะมาให้ทันท่านอาจารย์มั่นที่ท่าน จำพรรษาอที่จังหวัดอุดรแต่ก็ไม่ทันท่านไปจังหวัดสกลก่อนเียจึงไปพักอยู่ที่หนองคายวัดพุ่งสว่างอีกประมาณสามเดือนกว่าพอเดือนพฤษภาก็ไปถึงสกลนครขุนศร์บำเพ็ญอยู่กับท่านก็มีแต่ความเจริญกับความเสื่อมไม่ค่อยจะคงที่อยู่เป็นเวลานานเหมือนที่เคยเป็นมาเรียกว่าในพรรษา<ม>ที่จํามัน อยู่กับท่านพระอาจารย์มัน่นพันศาแรกนั้นเป็นพรนศาที่เกเพราะเจดพรรษาออกปฏิบัติมาจำพันษาที่นครราชสีมาพรรษาหนึ่งเป็นพันศาที่8พรรษาที่เก้ากับประจำกับท่านพระอาจารย์นในพรรษานั้นมีแต่ความเจริญกับเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกี่ยว ก, กับทางสมาธิออกพรรษาแล้วก็เปิดขึ้นบนเขา อยู่ประมาณสักสองเดือนกลับลงม า, าท่านอาจารย์มั่นจากนั้นก็ขึ้นก็ลงอยู่อย่างนั้นจิตก็มีแต่เจริญกับเสือ่อมแล้วจะพิจารณาหาสาเหตุที่เสื่อมก็ไม่สราบว่าเสื่อมเพราะเหตุนหนทั้งทั้งที่เราก็ตั้งใจอยู่บางคืนไม่นอนตลอดรุ่งก็ยังมี ถ้าเวลาจิตกําลังเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบมากก็ทลายความเพียรก็ต้องเร่งเขา้ากลัวว่าจิตจะเสื่อมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถึงอย่างนั้นก็ผลมาหลายก้อเสื่ต่อมาก็จเจริญขึ้นอีกเพราะความอุตสาพยายามแล้วก็เสื่อมได้แต่จเจริญกับเสื่อมไปถึงระดับที่เคยอยู่นั้นอยู่นั้นเสียประมาณสองสวรรค์และเสื่อมลงเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตา จึงมาเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจและสงสัยเรื่องความเสื่อมนี้เสื่อมได้เพราะเหตุไหนหรือจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยคําบริกรรมจะเผลอไปตอนนี้หรือตอนไหนหสร้างข้อสังเกตขึ้นแล้วก็สร้างคํา ม, มั่นสัญญาขึ้นอีกทีหนึ่งว่ายังไงเราจะต้องนําบทบริกรรมนี้กลับกับกลับจิต ไม่ว่าเข้าสมาธิไม่ว่าออกสมาธิไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนแม่ที่สุดปัดกวาดจะไม่ยอมให้เปอดจากคำบริกรรมคือพุทโธนี่ชอบพุทโธเป็นคำบริกรรมทีนี้เวลาภาวนาจิตสงบลงไปหากว่าความสงบนั้นยังจะนึกบริกรรมพุทโธได้อยู่จะไม่ยอมปล่อยวางคำบริกรรมนั้นแล้วจิตจะเสื่อมไปได้ในทางไหนจะรู้กันในตอนนี้ตั้ง ก็สังเกตว่าอย่างนี้แลก็บริกรรมเมื่อบริกรรมตามที่ได้ตั้งเอาไว้จิตก็ลงได้สู่ความสงบได้และได้อย่างรวดเร็วเหมือนเกาะต่างจากที่เคยเป็นมาขณะที่เว้นจากคำบริกรรมนั้นจะเว้นอยู่แต่ระยะที่จิตเข้าสู่ความสงบเต็มที่ จะนึกพุโทโธรือไห่พุโทโธก็ตามความรู้อ น, นั้นเป็นพุทธะตายตัวอยู่ประจักษ์กับใจและไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนนี้หยุดคำบริกรรมพอจิตจะขยับตัวถอนขึ้นมาก็แสดงอาการกระเพื่อม น, น, นิดก็รู้จับคำบริกรรมญาติใส่เข้าไปเลยให้ติดกันอยู่กับคำบริกรรมทำอย่างนั้นทั้ง พร้อมทั้งความสังเกตว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ระยะไหนคือเราทอดอะไรในความเสื่อมกับความเจริญว่าจิตจะเสื่อมไปถึงไหนก็ตามจะเจริญไปถึงไหนก็ตามแต่คําบริกรรมนี้ในระยะนี้จะไม่ยอมปล่อยวางเาเสื่อมก็ยอมให้เสื่อมไปพอเราความที่ตั้งอยากก็ตั้งความอยากไว้ว่า ไม่ให้เสื่อมนี้ก็เสื่อมไปตั้งตั้งที่เราอยากไม่ให้เสื่อมบันนี้ความเสือ่อมนึกความเจริญนั้นเราทอดทุลักเสียให้จิตมีความสัมพันธ์อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นจะเสื่อมกับเจริญเราจะรู้อยู่ขณะในขณะจิตของเราเท่านี้อาจะให้เห็นกันที่นี่รู้กันทิ้งตั้งความมั่นคงของใจเข้าสู่ทิ้งมั่นใจอยู่ที่นี่อย่างเดียวเสื่อมกับเจริญไม่สูงไม่ไปสนใจต่อมาจิตที่มีความเจริญเช่นนั้น เป็นลำดับมาขึก็เลยไม่เสื่อมเป็นเหตุให้รู้อีกทีนึงว่าอ๋อเรื่องที่เคยเสื่อมนั่นเสื่อมเพราะว่าเราขาดคำมวยกรรมแล้วเป็นการเผลอสติไปในระยะนั้นๆจึงเป็นเหตุให้จิตเสื่อมได้ในระยะนั้นต่างนั้นกตั้งคำมวยกรรมเป็นลำดับาย ไ, ไหนไม่ยอมให้เผลออ้าเป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจากครับพุโทโธจะเสื่อมไปไหนให้รู้กัน จากนั้นแล้วก็เป็นพรรษาที่สองก่อนจะเข้าพรรษานั้นอิทิก็รู้สึกว่าแนบสนิทในทางสมาธิความเสื่อมไม่ปรากฏแต่คำบริกรรมไม่ยอมลดละถึงกับนั่งสมภาวนาได้จนตลอดลุ่มนั่งบางวันยังไม่ยังยังไม่มือตลอด บางวันถึงเกือบเวลาบินธบัติถึงได้ออกจากที่นี่ก็เป็นอันมากและเพิ่มกำลังขึ้นเป็นลำหนึ่งเรื่องจะไปรู้เรื่องของเวทนาว่ามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนนั้นไปรู้กันในระยะที่นั่งตลอดลุ่มถ้าเรื่องเวทนาที่แสดงในคืนหนึ่งคืนหนึ่งจนกว่าจะถึงลุ่งเช้านั้น เป็นเวทนาที่สำคัญและแปลกประหลาดหลายอย่างภายในร่างกายของเราอันนี้เรื่องของปัญญาที่จะวิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณาเป็นการต่อสู้กับเวทนาก็ทำงานไม่ลดละจนสามารถเข้าใจได้ในเรื่องเวทนาทั้งเวทนาส่วนใหญ่ของร่างกายทั้งเวทนาส่วนละเอียดของร่างกาย ตลอดสามารถเข้าไปรู้ถึงเวทนาของใจและเป็นเหตุให้เสริมสติปัญญาความกล้าหาญขึ้นต่อเวทนาได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังมีความกล้าหาญและมั่นใจว่าเวทนาที่จะไปะแสดงในเวลาตายนั้นจะต้องเป็นเรื่องเวทนาที่เรากําลังเสบยหรือเรากําลังพิจารณาลูกันอยู่นี้ ไม่มีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดหรือต่างหน้าต่างตามาจากที่ไหนจะให้เราได้มีความรุ่มหลงในขณะตายนี่ก็เป็นเหตุทั้ได้คติอันสำคัญขึ้นมาเรื่องของเวทนาเมื่อปัญญาได้พิจารณารอบครอบแล้วก็ขาดไปในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่นี่ระยะเช่นนี้ เราจะว่าจิตว่างก็ได้อยู่แต่ ว, ว่าว่างในสมาธิถอยมาจากนั้นเราก็พิจารณาจนมีความชำนาญทั้งด้านสมาธินี่ขอสรุปความเออยออๆเมื่อสมาธิมีกำลังอุบายปัญญาเมื่อได้รับการแนะนำตักเตือนหรือดุด่าว่ากล่าวจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสนใจที่จะพิจารณาทางด้านปัญญา เมื่อปัญญาได้พิจารณาค้นคว้าตามส่วนแห่งร่างกายจนเห็นชัดสามารถถอดถอนเรื่องอุปทานของกายได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะพรากสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายและอสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายของตัวและของคนอื่นได้ โดยผ่านไปทางสายกลางแห่งสุภาะและอสุภ า, ะ, ภาะทั้งสองนั้นจากนั้นจิตจะเริ่มว่างแต่ยังไม่ได้แสดงความว่างอย่างเต็มที่ยังมีนิมิตภายในของใจแสดงภาพภายในจำเพาะตัวอยู่เรื่องภาพภายนอกคือส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะเริ่มหมดไปหมดไปแต่อาศัย ร่างกายนี้เป็นหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมโนภาพขึ้นภายในใจเป็นการฝึกซ้อมความชนานาญของภาพที่ปรากฏภายในกายนี้ถึงกับว่ากายที่ปรากฏเป็นร่างอยู่นี้กลายเป็นภาพภายในใจโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้เลยนี่เรียกว่าเป็นนิติตภายใน ใจนี้ว่างจากกายภายนอกว่างจากวัตถุภายนอกแต่ยังไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเองเมื่อจิตได้พิจารณานิมิตภายในคือตั้งขึ้นจากภาพแห่งกายภายนอกแต่ก็เข้าไปเป็นเรื่องของจิตภายในพยายามฝึกซ้อมนิมิตอ น, นั้นอยู่เสมอทีนี้นิมิตที่เป็นภาพภายในใจก็ค่อยหมดไปตั้งขึ้นแล้วดับ เร็วไปเรื่อยๆเรียกตั้งขึ้นก็อยู่เป็นเวลานานๆแล้วดับไปต่อมาเพราะความุึกซ้ำมของจิตมีความชนานาญในทางปัญญาภาพคือนิมิตที่ปรากฏอยู่ภายในใจโดยเฉพาะก็สลายตัวไป <ๆ S 1> เมื่อนิมิตภายในใจสลายตัวไปแล้วด้วยและนิมิตส่วนกายภายนอกนี่ก็สลายไป อนหน้ากันนี้แล้วด้วยนั่นท่านเรียกว่าจิตว่างนีว่างเป็นเป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิตที่มีโูมแห่งธรรมถึงขั้นจังความว่างของแก่ตันเองนีไม่ใช่ว่างสมาธิไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธิเป็นความว่างของสมาธิ แต่จิตที่มีความปล่อยวางในส่วนแห่งร่างกายด้วยและสามารถรู้เท่าทันแห่งส่วนแห่งร่างกายด้วยส่วนปัญญาก็มีความเชี่ยวชาญสามารถจะวิาพากวิจารส่วนแห่งร่างกายนี้ให้แตกสลายลงได้ตามความต้องการและรวดเร็ว ด, ด้วยจนถึงขั้นมาตรุงภาพแห่งกายนี้ขึ้นเช่นเดียวกับฝ้าแลวพอตั้งเป็นภาพพับดับไปในขณะเดียวนั่นเลย นี่ทันเรียกมาเรื่องของปัญญาที่มีความรอดเบียดกายทั้งหมดเลยเป็นเรื่องว่างไปหมดทั้งๆ ท, ที่กายของเรายังมีอยู่ภาพภ า, ายนิตที่ตั้งขึ้นก็ดับไปในทันทีต่อจากมันจะเป็นเหมือนกับข้าแมบเท่านั้นพอตั้งพับคนนี้ขึ้นมาดับทันทีดับทันทีนี่ นี่ว่างตามฐานะของจิตที่อยู่ในขั้นว่าง น, นี้ว่างตามภูมิของจิตที่ผ่านด้านมัตถุมาแล้วมีความว่างอย่างนี้เป็นประจำทนี้ความว่างนั้นถ้าว่างเช่นนี้ว่าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานของผู้นั้นของขั้นจิตขั้นนั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นนิพพานของพระพุทธเจ้า ถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างในขณะที่จิตลงสมาธิก็เป็นนิพพานของสมาธิแห่งโยคาวจรผู้ปฏิบัติคนนั้นถ้ามาถึงขั้นว่างที่จิตได้พรากจากส่วนแห่งด้านวัตถุมีกายของตนเป็นตน้นทรงตัวความว่างไว้อย่างนี้ก็เป็นขั้นว่างของนักปฏิบัติคนนี้ของภูมิจิตของผู้ปฏิบัติคนนี้แต่ไม่ใช่เป็นความว่างของพระนิพพาน เห็นปกติเจเพราะเหตุใดจิตที่มีความว่างในลักษณะนี้และในภูมิของจิตเช่นนี้จะต้องมีความดูดดื่มหรือติดพันหรือติดใจในความว่างนี้เป็นอารมณ์ของใจอยู่เสมอจิตไม่มีที่ยึดที่หมาย ในด้านมัตตุภายนอกแต่ก็ถือเอาความมัางเป็นอารมณ์ของใจมีความยินดีเนความมั่งของตนโดยเจ้าตัวยังไม่รู้สึกเมื่อเป็นฉะนั้นความมั่งประเภทนี้จะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าจะเป็นนิพพานก็จัดว่าเป็นนิพพานของของภูมินิเสียทนี้การฝึกซ้อมทางด้านเวทนา ที่เป็นปนจิตโดยมากเวทนาในระยะนี้เป็นสุขเวทนาเพราะความว่างของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วทำการฝึกซ้อมเรื่องความเกิดความดับในส่วนแห่งนามธรรมคือเวทนาทั้งสามสุขทุกเฉยๆที่มีประจําอยู่ภายในจิตซึ่งตนไม่สามารถจะลื้อถอนได้เพราะอํานาจปัญญาอย่างไม่พอ ก็ต้องอาศัยความเกิดความดับของเวทนาทั้ง3นี้ด้วยอาศัยความเกิดความดับของสัญญาที่จำได้หมายรู้านั้นด้วยอาศัยความเกิดความดับของสังขารความปรุงของใจนั้นด้วยอาศัยวิญญาณความรับรู้ที่มีสิ่งมาสัมผัสานั้นด้วยเป็นเครื่องฝึกซ้อมปัญญาว่าสภาพทั้งสี่นี้เรื่องของรู ป, ปรกายมีลักษณะเช่นไหนสภาพทั้งสีนี้จะต้องเป็นลักษณ ะ, ะเช่นเดียวกับ สภาพแห่งร่างกายนะถอยหน้าถอยหลังพิจารณากลับไปกลับมาทั้งความเกิดความดับหรือความตั้งขึ้นแห่งสุขก็ดีแห่งทุกข์ก็ดีแห่งความเฉยเฉก็ดีสติกับปัญญามีการสนใจและท่องเที่ยวอยู่กับสภาพนี้เท่านั้นโดยไม่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสภายนอกใดๆทั้งนั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นจิตทราบชัดว่าได้ถอดถอนตัวออกมาเข้ามาหมดแล้วไม่มีความสำคัญหรือติดใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลยจะมีความว่างกับอาการของจิตที่แสดงตัวอยู่นี้เท่านั้นเป็นที่ให้ติดใจแล้วก็เกิดความสนใจพิจารณาการพิจารณาเวทนาทั้งสามก็อี การพิจารณาสังขารหรือ ส, สัญญาก็ดีแม้วแต่เจริตจะชอบในอาการแห่งธรรมส่วนใดในานามธรรมทั้งศี่นเป็นการศึกซอมความเกิดความดับของอาการเหล่านี้โดยทางปัญญาจนปัญญามีความสามารถแก่กระสามารถจับพิจารณาลงถึงฐานของอาการทั้งศี่นว่าเกิดขึ้นมาจากไหน สิ่งไหนเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือชั่วต้องมีการสลายไปเรียมว่ออนิจจังประจําอยู่แล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนในสภาพนี้มันก็ต้องเป็นตราักษ์อยู่โดยดีในหลักธรรมชาติของอาการทั้งสีน่นี้มีเรื่องของปัญญาย้อนกลับไปกลับมาแต่ใจที่มีความบ้างต่อตอนเองนี้จะทรงไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายประเภทหรือหลายอย่าง หนึ่งเป็นความอาจหานเต็มที่สองเป็นความผ่องใสเต็มที่สา ม, มีความเพลวคพลาต่อตอนเองคล้ายกับว่ามีความฉลาดอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วก็เกิดความสําคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นในความองอาจในความสว่างกระจ่างแจ้งหรือผ่องใสของตอน โดยไม่รู้สึกตัวนีโดยมากจะมีแต่สุขเวทนาเต็มอยู่ภาในกิตแต่จะจะสุขเมทนาละเอียดขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้ทําหน้าที่เป็นไปกับความเพียรอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีโอกาสจะทราบ เรื่องสุขเวทนาอันนี้มาเป็นเช่นเดียวกับทุกทุกเวทนาและเป็นธรรมชาติแห่งแต่รักเช่นเดียวกันไม่ขณะในขนดขณะหนึ่งก็ต้องจะทราบหลากฐานของสุขเวทนาที่อาศัยเกาะอยู่นี่ว่าสุขเวทนานี้ได้มาจากไหนเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วอาศัยอะไรอยู่นี่ปัญญาก็ ค้นกลับไปกลับมาแยกหน้าแยกหลังอยู่เช่นนั้นเพราะงานชิ้นใดไม่มีจะเป็นความสำคัญยิ่งกว่าการขุดค้นลากฐานของสภาวะทมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณจากนั้นแล้วก็จะไปเกิดความสนใจในธรรมชาติที่เคยเห็นว่ามีความผ่องใส ความองอาจกร้หารว่ามีอะไรแฝงอยู่ภายในนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อสิ่งนี้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาอีกทีนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะทำลายธรรมชาติที่จอมปลอมอันละเอียดที่สุด เรื่องความองอาจกล้าหาญความผ่องใสทั้งหมดนี้เป็นโลกของเครื่องหลอกลวงของวิชาทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้แทงทะลุจุดนี้แล้วธรรมาชาตินี้ก็สลายตัวลงไปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเมื่อธรรมาชาติ ที่มีความผององ์ อ, งอาจกลอาหารและผ่องสายอย่างเต็มที่ได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นเป็นความว่างอันหนึ่ง น, นิมิตเครื่องหมายใดๆจะไม่ปรากฏนับแต่ขณะที่ก้อนแห่งมัตะคือความผ่องสายนั้นได้สลายตัวลงไปความว่างอย่างเต็มที่จะปรากฏดูนั้นตั้งแต่การไหนๆมาทิ้ความว่างที่ว่า ว่างสมาธิก็ดีความว่างในขั้นภูมิของกิตที่ผ่านรู ป, ปรกายเข้าไปหรือผ่านด้านวัตถุเข้าไปก็ดีเป็นความว่างในระยะทางระยะทางแต่ไม่ว่างจากตัวเองเมื่อก้าวเข้าสู่ความว่างที่มีปมแห่งมัตตะปิดบังอยู่นั้น แต่ปมแห่งมาตานั้นได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจของปัญญาความว่างอันนั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างอย่างเต็มที่ด้วยและเป็นธรรมชาติที่ว่างต่อตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยไม่มีนิมิตอันใดที่จะไปเคลือบแปงเพราะคาว่านิมิตแล้วต้องเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจและถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเรา ความว่างเช่นนี้เราจะว่าเป็นความว่างของพระพุทธเจ้าหรือความว่างของไขนั้นผู้แสดงไม่สามารถจะเรียนให้ทราบได้ว่าจะควรเป็นความว่างของไข่นอกจากจะว่าเป็นความว่างของธรรมชาติที่เห็นกันนั่นเสียเท่านั้นความว่างอันนี้จะไม่มีการมีสมัย เป็นอาการิโกอยู่ตลอดการความม่างในสมาธิมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความม่างในขั้นอรู ป, ปรธรรมซึ่งกำลังเป็นทางเดินก็แปลสภาพหรือผ่านไปได้แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะนีแล้วไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหน เพราะตนไม่มีอยู่ในความว่างนั้นและไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตนอีกด้วยนอกจากจะเป็นยถาภูตังยนานทัศนังเห็นตามเป็นจริงแห่งความว่างนั้นโดยชัดเจนแแแกงในหลักธรรมชาติและเห็นตามเป็นจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาเป็นลำดับลาดั บ, ดดบแม่ที่สุดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นทาเครื่องแก้ไข ก็กลับกลายมารู้เท่าทันกันโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดจะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในจุดจุดท้ายนั่นเลยขอให้ท่านนักบำเพ็ญทั้งหลายโปรดได้นำไปพิจารณาในความว่างทั้งสามประเภทนี้ และพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปให้เป็นความว่างเลยบางตนคือสมาธิที่ได้ทําหน้าที่เข้าไปจนถึงความสงบแล้วเป็นความว่างอยู่โดยเฉพาะหนึ่งพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปถึงความว่างของจิตที่ผ่านพ้นจากรูปธรรมรู ป, ปรกายหรือด้านวัตถุไปหมดแล้วหนึ่งแล้พยายามทําจิตของตนให้ผ่านให้ล ะ, ละหรือปล่อยวางจากรูปเวทนาสัญญาสังขารยินยานและ หรือลากแห่งสมมุติทั้งหลายคือวอิชานั่นหนึ่งจากนั้นไปแล้วจะเป็นความว่างโดยหลักธรรมชาติและไม่มีผู้ใดเข้าไปปักปันเขียบแดนเอาได้อีกต่อไปการแสดงธรรมเมื่อแสดงขึ้นเข้ามาถึงจุดนี้แล้ว ก็ไม่สาบว่าจะแสดงต่ออะไรต่อไปเพราะผู้แสดงนั้นมีความสามารถจะแสดงให้ฟังเท่าที่แสดงมานี้เท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถจะแสดงจึงขอฝากธรรมะนี้ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมะคำสอนของมือเจ้าปพิจารณตามสติกาลังความสามารถของตนเอง จนตากวดความวากทั้ง3ประการขึ้นไประจักษ์ใจของเราเรื่องความสงสัยในตนเองความสงสัยในความว่างทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็เป็นเรื่องเราจะตัดสินหรือแจมแจ้งในเราเองฉะนั้นแนวัาสาหสงการแสดงธรรมเริ่มตั้งแต่จุด เบื้องต้นทีว่าจะแสดงเรื่องความงโง่ให้บรรดาท่านผู้ฟังตั้งหลายมาจนถึงจุดนี้แล้วก็เห็นมาชำวร่นเจรเวแล้วจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง